วันนี้เป็นวันสาคัญนะสำหรับหลายคนนะทั่วประเทศเลยทีเดียวนะเพราะว่าเป็นวันที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตหลายคนก็จะได้เลื่อนตำแหน่งวันพรุ่งนี้นะหรือว่าอาทิตย์หน้านี้ก็จะได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นหัวหน้าบ้างเป็นพวน่วงหนวยการบ้างเป็นผ อ, อรหรือเป็นอธิบดี หรือบางคนก็ได้เป็นประหลัดกระทรวงนะบางคนก็ได้เลื่อนเป็นผู้ว่าราชาการจังหวัดเป็นนายอำเภอซึ่งก็เป็นความปรารถนาของข้าราชาการส่วนใหญ่จำนวนไม่น้อยนะก็จะได้ะเสียณจากงานการงานที่เคยทำทุกวัน หลายคนก็อา จ, จรู้สึกเป็นภาระรู้สึกเบื่อเหนื่อยเพราะจากวันนี้ไปนะก็เรียกว่าปลอดพ้นจากภาระปลอดพ้นจากหน้าที่การงานก็เป็นความใฝ่ฝันนะของคนจํานวนมากนั่นก็หมายครับว่าพรุ่งนี้หรือว่าตั้งแต่ทิศหน้าไปเนี่ยแม้จะเป็นวันจันทร์วันอังคารก็ จะตื่นเมื่อไหร่ก็ไดนะ้จะกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าไม่ต้องไปทำงานแล้วหลายคนก็นึกถึงการไปเที่ยวนะที่ตั้งใจว่าอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แล้วก็ไม่ได้ไปสักทีเพราะว่ายัางติดงานยังรับราชการอยู่นะครับนับแต่นี้ไปนี่ก็สามารถจะไปเที่ยวตามที่ต่างๆได้ ไปกับลูกหรือพาลูกไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็สะดวกสบายแล้วอยู่บ้านก็สามารถจะพักผ่อนได้เต็มที่จะดูหนังเด่นโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียก็ทำได้สบายรวมทั้งจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครมาสั่งให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ ชีวิตเรานี่ก็จะปลอดเจ้านายแล้วผนที่เป็นเจ้านายก็อาจจะไม่ต้องคอยจำจีจำชัยลูกน้องเพราะว่าไม่มีการงานให้ต้องรับผิดชอบแล้วหลายคนก็รู้สึกเหมือนกับว่านับในนี้ไปเนี่ยเป็นช่วงพักร้อนแล้วพักร้อนยาวเลยแต่ก็ให้ระวังเอาไว้นะว่าช่วงเวลาพักร้อนเนี่ย มันจะไม่ยืนยาวเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคนเราเนี่ยพอเที่ยวมากมากนะแม้จะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศแทบทุกเดือนไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นตามสบายแต่พอถึงจุดหนึ่งนะมันก็จะเริ่มเบื่อแล้วเริ่มเบือ่อส่วนใหญ่ก็ ใช้เวลาไม่ถึงปีหรือสองปีนะไอ้ที่เคยสนุกสนานกับการกินดื่มเที่ยวเล่นช็อปเนี่ยมันก็ค่อยๆจืดจางลงก็ไม่ ต, าต่างจากคนที่ดูหนังนะในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยดูหนังซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าไม่ต้องไปทำงานเขาล็อกดาวน์ ดูไปนานๆผ่านไปสองสมเดือนนี่เบื่อแล้วทั้งๆที่ยังมีอีกหลายเรื่องให้ดูซีรีส์อีกมากมายนะที่น่าสนใจแต่ว่าหลายคนเบื่อแล้วในช่วงพักร้อนของคนกระเสียงก็เหมือนกันนะมันก็จะอยู่ได้ไม่นานสักปีสองปีออย่างมากแล้วก็จะเริ่มเบื่อ หลังจากนั้นก็จะเริ่มเคล้งคว้างแล้วเค้งคว้างว่างเปล่าเพราะว่ามันเริ่มจะตื่นไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาชีวิตเนี่ยมันจะเรียกว่าไม่มีระเบียบแบบแผนแล้วและยิงวนั้นคือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสิ่งที่เคยคิดว่าไม่สำคัญก็เริ่มมีความสำคัญขึ้นมาเช่นความสัมพันธ์กับเพื่อน พอไม่ได้ทํางานมันก็เริ่มเกิดความเคินห่างจากเพื่อนๆนจากผู้คนก็เริ่มรู้สึกเหงาขึ้นมาแล้วแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตนี่มันว่างเปล่าไม่มีคุณค่าหงอยขึ้นมาเลยช่วงนี้แหละนะที่ทําให้หลายคนเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมา ถ้าจะหลุดพ้นจากภาวะนี้ได้เนี่ยมันต้องรู้จักหาอะไรทํานะต้องหาอะไรทําหลายคนเนี่ยเขาเริ่มสแสวงหาแล้วนะว่าฉันจะทําอะไรดีและบางคนก็พบนะบางคนนี่ก็ได้พบว่าเนี่ยไปเป็นจิตอาสาก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้ชีวิตมีคุณค่าอย่างมี ผู้สูงวัยคนหนึ่งนะที่จริงก็อายุก็ไม่มากหรอกเกษมมาได้สองสามปีไม่ได้เป็นข้าราชการนะเป็นผู้จัด ก, การธนาคารตอนที่กเกษณใหม่ๆก็ว้มีความสุขได้กินได้เที่ยวตามใจแต่พอทำไปแล้วสองสามปีเริ่มเบื่อแล้วไม่มีอะไรทำถ้าเป็นคนแก่สมัยก่อนนะหรือในชนระบทก็เลี้ยงหลาน แต่นี่ลูกก็ไม่มีหลานให้เลี้ยงว่างเปล่าเรื่องเสื้อวิตก็มีคุณค่าตอนนี้น ไ, ปไปเป็นจิตอาสานะไ ป, ไปเป็นจิตอาสาให้กับมูลนิธิแห่งหนึ่งไอ้ที่ทำงานก็ไม่ได้สะดวกสบายเท่าไหร่นะไม่ติดแอร์แต่ว่าเริ่มมีความสุขชื่อมันมีความหมายขึ้นมา เขาถึงมาพูดว่าเนี่ยผมเนี่ยคือขยะคืนชีพนะตั้งแต่มาทำมิจิตอาสานี่กลายเป็นขยะคืนชีพคือก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นขยะไม่มีคุณค่าแต่พอได้ทำงานที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมแล้วเนี่ยรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาก็เลยกลายเป็นขยะคืนชีพบางคนนะ เ, าเราพบว่าเนี่ยงานที่เขาชอบงานที่เขารักคืออะไรมีอาจารย์หมายเทลัยคนหนึ่งนะจบด็อกเตอร์ทั้งด้านรักษา์สอ น, นังสือมาจนเกษียณสามสิบปีพอออกจากราชการนี่เขาเพบว่าเป็นโอกาสที่เขาจะได้ทำสิ่งที่เขารักฝ่ฝันมาตั้งนานแล้ว ไม่ได้ทาสักทีพอ ร, รับราช ก, การสิ่งที่เขารักคืออะไรนะก็คือการปลูกป่าปลูกต้นไม้ในบ้านมีที่ดินส่วนตัวต่างจังหวัดพอใกล้กเกษียณนี่ก็เก็บสะสมต้นไม้นาน า, นาชนิดแล้วค่อยทยอยปลูกพอกเกษียณปุ๊บนี่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดก็ปลูกต้นไม้และตอนหลังเนี่ยก็เห็นว่า ต้นไม้นี่มันมีคุณค่ามากแม้แต่ใบก็เอามาใช้ทำาภาพพิมพ์ได้ก็เกิดความคิดนะเอาใบไม้มาทำเป็นภาพพิมพ์เรียกว่าภาพพิมพ์ลายใบไม้โอ้ยมีความสุขมากเลยกลายเป็นว่าพบชีวิตใหม่ในวัยกเกษียณพบชีวิตใหม่เมื่ออายุเจ็ดสิบนะเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ตัวเองรัก ถ้าคนที่เกษียณแล้วเนี่ยนะต้องถามตัวเองนะว่าเรามีงานอะไรที่เรารักไหมหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทำตอนรับราชการหรือตอนทำงานตอนนี้เป็นโอกาสดีแล้วถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีงานที่ตัวเองรักเนี่ยอะไรบ้างนี่ลําบากแล้วนะถ้าไม่รู้ว่า งานอะไรที่ตัวเองรักเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องสแสวงหาแล้วบางคนนะก็สอนหนังสือนะเปิดคอร์สเพราะว่ามีความรู้เยอะมีทักษะไม่เคยเป็นครูแต่ว่ามีความรู้มีทักษะก็เปิดสอนก็ปกว่าไปได้ดีนะมีความสุขมากค่าตอบแทนก็ไม่มากแต่ว่ามีความสุขเพราะว่า มันมีความหมายชีวิตแต่ละวันมีความหมายแล้วก็มีความสัมพันธ์ด้วยความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นมาแทนที่จะอยู่บ้านคนเดียวดูหนังนะมันได้ไปเจอผู้คนหลายคนเนี่ยกเกษียณเนี่ยแล้วจึงพบชีวิตใหม่ได้พบงานที่ตัวเองรักอายุห 6, กสิบปีบางทีไม่รู้แล้วว่างานที่ตัวเองรักคืออะไรนะมาเจอตอนกเกษียณละ แต่ถ้าใครไม่พบนี่ก็ลําบากแล้วนะเพราะว่าชีวิตจะเคว้งคว้างมากความสัมพันธ์ก็ห่างเหินความสุขก็ลดน้อยลงความหมายของชีวิตก็หาไม่เจอนี่สําหรับคนที่ได้เลื่อนตําแหน่งนะเดือนหน้าอาทิตย์หน้าก็มีตําแหน่งที่สูงขึ้นก็อย่าไปเพลิดเพลินกับความสุขหรือตําแหน่งที่ มีนะเพราะว่าถึงวันนึงเนี่ยก็ต้องหลุจักตําแหน่งกันไปวันนี้ได้เป็นอธิบดีเป็นประหลัดกระทรวงเป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภอแต่ว่าวันหน้าก็ต้องหลุจักตําแหน่งตําแหน่งในการเลื่อนตําแหน่งและการรู้จักตําแหน่งนี่มันคู่กันนะมีกับเสียเป็นของคู่กันก็อย่าไปเลิง้งอย่าไปเพลินกับตําแหน่งที่ได้ให้เตือนใจตัวเองนะว่า มันเป็นของชั่วคราวตำแหน่งเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวโขนหลายคนเนี่ยไม่เตือนใจตัวเองนะพอกะเกษียณพนจากตำแหน่งทธิบดีประหลัดกระทรวงผู้ว่าทุกข์มากเลยแว้งเลยนี่เพราะว่าไปเพลิดเพลินกับตำแหน่งที่ได้โดยที่ไม่ตระหนักว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นธรรมดาของโลกัฒน์เตือนใจตัวเองไว้นะ ว่าเมื่อวันที่รู้จักตําแหน่งแล้วเนี่ยเรายังสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีความหมายเพื่อเพื่อเกือเก้อกูล ค, คนเอาไว้อย่าใช้อํานาจเพราะว่าพอรู้จักตำแหน่งแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีใครให้ความสนใจเราเลยเบือนหน้าหันหลังให้หมดเพราะว่าไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความผูกพันอันนี้หลายคนเจอมาเยอะแล้วนะตอนเป็นผ อ, อตอนเป็นอธิบดีรกระทรวงนี่คนก็ล้อมหน้าล้อมหลังแต่พอ หลุดจากตำแหน่งเป็นประชาชนธรรมดาไม่มีใครสนใจเลยอันนี้พรา่าไม่ได้ใช้ความรักผูกพันผู้คนไม่ได้ใช้ความดีผูกพันผู้คนแต่ใช้อำนาจพอหมดอำนาจก็เลยไม่มีใครสนใจอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจที่ต้องระ ล, ลึกอยู่เสมอนะในช่วงที่ถึงวันที่เราใกล้จะเกษียณ